จะเปลี่ยนชะตาต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีโต้อตอบกับชะตาคนที่ควบคุมชะตาชีวิตได้ตลอดจนพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองสำเร็จจริงไม่ใช่คนที่อาศัยเคล็ดลางใดๆช่วยไม่ใช่คนที่ทำสังฆทานครั้งใหญ่มโหลานไม่ใช่คนที่ไปถือศีลกินเจที่วัดไม่ใช่คนที่เอาแต่ท่องบุนว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ แต่เป็นคนที่ผ่านเรื่องร้ายได้ด้วยจิตดีๆคนส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนชะตาร้ายให้กลายเป็นดีอยากเปลี่ยนฐานะยากจนให้กลายเป็นร่ำรวยอยากเปลี่ยนสถานะโสดเป็นสมรสด้วยการทําพิจิตรสั้นไม่ต้องออกแรงมากเอาแค่พึ่งพาคนที่รู้เคล็ดวิชาเสกเป่าวันเดียวซึ่งนั่นนับเป็นการพอกพูนอวิชา ถีบตัวออกห่างจากความเข้าใจเรื่องกรรมวิบากไปเรื่อยๆหากจะเข้าใจเรื่องกรรมวิบากต้องเห็นให้ได้ว่าจตากรรมที่เล่นงานชีวิตได้หนักๆซ้ำรากไม่ใช่ลอยมาจากลมแรงหรือแสงแดดแต่เกิดขึ้นจากการกระทามันยืดยาวในอดีตเช่นทำร้ายทั้งชีวิตโกงทั้งชีวิตสําสนทั้งชีวิตโกหกพกลมทั้งชีวิต กินเล่าหัวราน้ําทั้งชีวิตถ้าเคยทําร้ายคนทั้งชีวิตพอเกิดใหม่ทําสังฆทานแก้กรรมทีเดียวหรือเข้าพิธีปลุกเสกเป่ากระหม่อมสองสำหน์นมันได้น้ําหนักสมน้ําสมเนื้อกันหรือหากไม่มีอภิญญาไม่รู้ว่าเคยทํากรรมเด่นอันใดมาทั้งชีวิตก่อนหน้านี้ก็พึงทําได้ประการเดียว คือมองชีวิตตรงหน้าด้วยตาเปล่าเห็นว่ามีเรื่องใดเกิดบ่อยเกิดซ้ำๆยังมีแบบแผนที่แน่นอนผ่านครั้งหนึ่งครั้งสองสามสี่ตามมาอีกกระเพื่อมเป็นระลอกระลอกซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบราวกับมีใครจงใจชักใหญ่แกล้งอยู่เบื้องหลังเรื่องนั้นหละบอกใบ้ว่าเราเคยทำอะไรไว้กับคนอื่น การจะเปลี่ยนชะตาเดิมได้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนเช่นเปลี่ยนแปลงท่าทีโต้อตอบกับชะตาจากร้ายกลายเป็นดีจากโมโหมากเป็นโมโหน้อยจากโมโหน้อยเป็นสติรู้ความไม่เที่ยงของอารมณ์โกรธหรือเปลี่ยนจากน้อยใจจอมจอมอารมณ์มืดในโลกส่วนตัวเป็นแข็งใจลุกขึ้นทําอะไรที่สว่างให้คนอื่น หรือเปลี่ยนจากคิดเอาคืนแก้แค้นกับเจ้าตัวบ้างแอบเอาไปลงกับคนไม่รู้อิโนอิเนบ้างไม่กลายเป็นความตั้งใจว่าเราโดนอย่างไรจะไม่ทำกับคนอื่นอย่างนั้นน้ำซ้ำจะช่วยไม่ให้คนอื่นต้องเจออย่างนั้นด้วยเมื่อเปลี่ยนแปลงตัวตนที่โตตอบกับชะตากรรมได้ก็จะมีผลให้ชะตากรรมหาตัวไม่เจอหรือเจอแบบไม่ถนัด สัดได้ไม่เต็มหมัดเต็มเหนียวเพราะเมื่อชะตาร้ายบีบให้ร้ายแล้วคุณไม่ร้ายแปลว่าคุณสร้างแนวโน้มใหม่ในการเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีแทนที่โลกจะเกิดเรื่องร้ายเพราะมีคุณเป็นส่วนร่วมก็กลายเป็นว่าเพราะมีคุณเกิดมาโลกนี้จึงดีกว่าที่ต้องเป็นไปทําไว้กับโลกอย่างไรโลกก็ให้คุณคืนอย่างนั้น ปัญหาคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองมักล้มเหลวเพราะคนส่วนใหญ่ตั้งใจเอาดือด้อว่าจะกลายเป็นอีกคนให้ได้เดี๋ยนี้แท้จริงการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดจากการสั่งสมกรรมใหม่ทั้งวิธีคิดวิธีพูดและพฤติกรรมบางอย่างเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานพอกระทั่งเคยชินที่จะทำเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ฝืนถ้าฝืน ก็แปล ว, ว่ายังไม่เปลี่ยนทางหนึ่งที่จะเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องคืออย่าคิดถึงความสำเร็จแบบรับเงินก้อนแต่คิดถึงการมีความสุขกับการหยอดกระปุกทีละบาทเลือกอย่างเดียวว่าจะคิดจะพูดหรือจะทำอะไรใหม่และสะสมพฤติกรรมใหม่นั้นไปเรื่อยๆใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ถ้าตั้งใจจริงและมีใจต่อเนื่องนั่นแหละความเข้มแข็งนั่นแหละกำลังที่มากพอจะเปลี่ยนชะตาตัวเองสำเร็จ